แต่ในอธิกถาทั้งหลายท่านก็ยกถึงพระพุทธเจ้าเหล่านั้นนะนะยกมาให้ดูเช่นพระพุทธเจ้าพนามว่าตันหังกรเมทางกรสารนางกรที่ปังกรพระองค์เหล่านี้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ก็หมายถึงอะไรอสงไขยที่หนึ่งใช่ไหมอสงไขยที่หนึ่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนทัญญาผู้สูงสุดกว่าสัตว์สองเท้าอันนี้ก็อยู่ในระหว่างอสงไขยที่สองพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละสุมาณะเรวตะและพระพุทธเจ้าพระนามว่า โสพิตะผู้เป็นมุนีนี้ก็อยู่ในระหว่างอาสงไขยกับที่สมอสงไขยที่ส น, นะพระพุทธเจ้าพระนามว่าอนโนมัทสีพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมะพระพุทธเจ้าพระนามว่านารทะพระพุทธเจ้าเหล่านี้สมองค์นี้ก็อยู่ในอสงไขยที่ที่สนะหลังจากนั้นก็ถอยหลังจากนี้ไปแสนกับมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระเนี่ยเกิดขึ้นในโลก หลังจากพระพุทธเจ้าพานามว่าประทูมุตระก็พระพุทธเจ้าพานามสุสมีทะผู้เกิดดีตัวนั้นเนี่ยนะข อ, ขอแก้หนังสือหน่อยนะแก้นิดหนึ่งผู้เกิดดีแปลว่าพระสุชาติพุทธเจ้านะเนี่ยผู้เกิดดีเนี่ยมาจากพระเป็นชื่อของพระพุทธเจ้านะแปลว่าพระสุชาติพระพุทธเจ้าพระนามวัสมีทะนะ พระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัศนีผู้มียศใหญ่พระพุทธเจ้าอัฏฐทัศนีธรรมทัศนีพระพุทธเจ้าสิทธะผู้เป็นนายกของโลกพระพุทธเจ้าติดสะพระพุทธเจ้าผุดสะผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าวิปัสสีพระพุทธเจ้าสิกขีพระพุทธเจ้าเวสภูพระพุทธเจ้ากาคุสันท่พระพุทธเจ้าโกนาคมณะพระพุทธเจ้ากัสสะผู้เป็นนายกนีนะพระคือหมายค่ะว่านายกแปลว่าผู้นำพระพุทธเจ้าเหล่านี้พระองค์เป็น ผู้นำท่านเหล่านี้ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปราศจากราคะนะยกตัวอย่างว่าถ้าสิ้นตัณหาก็ถือว่าเป็นอันสิ้นอกุศลทุกอย่างมางั้นพระองค์เนี่ยตั้งมั่นดีแล้วมีรัศมีร้อยก็คือมีมีแสงที่พุ่งออกมาจากพระวรากายเนี่ยเป็นช่อๆจะเรียกว่าเป็นร้อยช่อก็ได้มางั้นพระองค์นั้นบรรเทาความมืดคือโมหะที่ใหญ่นะกำจัด โมหะอันใหญ่เนี่ยนะพระองค์รุ่งเรืองเหมือนกับกองไฟไม่ใช่ไฟน้อยนะไฟแบบดวงอาทิตย์อย่างนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นพร้อมด้วยสาวกทั้งหลายก็ได้นิพพานแล้วอะไรนี่ก็เหมือนกับว่าเล่าถึงพระพุทธเจ้าในอดีตพร้อมทั้งทศสาวกของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นตอนนี้เหลืออะไรบ้างไหมเหลืออะไรบ้างไหมก็เหมือนดวงอาทิตย์วันนี้ใช่ไหมมาค่ำค่ำอย่างนี้ดวงกลางวันนี่ร้อนจ้า สว่างสวยไปหมดตอนนี้ไ ป, ไปเอาตรงไหนอ่ะไปล่วงเอาดวงอาทิตย์ตรงตอนเนี้ยขณะเนี้ยที่ไหนโน่นไปเอาที่อินเดียโน่นนะหรือไม่นอนไปเอาไปเอ า, ไปเอาที่ประเทศเขาเราียกว่าตะวันตกตะวันตกไปโ น, น, นะน่น่ะบางอยงนก็คืออยู่กันคนละด้านและชันใดนี่ก็เหมือนการพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็รับไปแล้วผ่านไปแล้วพ้นไปแล้วอันนี้นเรียกว่าเป็นคาถาที่สรุปเนี่ยนะ เขาบอกว่าถ้ามีย่อหน้าย่อหลังตบเข้ากันแบบนี้เขาเรียกภาษาบาลีแปลว่าฉันทะลักเป็นเป็นฉันทะลักะนะส่วนข้อความข้างล่างนะั้นก็เรียกเป็นจุนิยะก็คือเป็นร้อยแก้วนะอามขสรุปว่าพระพุทธเจ้าพนามว่าทีปังกรและพระพุทธเจ้าพนามวาโกณทันยะโลกได้ว่างจากพระพุทธเจ้าตลอดหนึ่งอสงไขยแสนกับ หมายคําว่าพระพุทธเจ้าทีปังกรจนถึงพระพุทธเจ้าโกนทัญย่เนี่ยนะไม่มีพระพุทธเจ้าเลยหนึ่งอสงไขยด้วยกัน น, นะคิดดูว่าเป็นอสงไข ย, ยเลยไม่มีพระพุทธเจ้าแม้แต่องค์เดียวอะ่ะแล้วก็มีพอมีพระพุทธเจ้าพนาว่าโกนทัญยญ่เกิดขึ้นมาหนึ่งองค์นะแล้วก็โลกก็ว่างจากพระพุทธเจ้าอีกหนึ่งอสงไขยจึงมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นอีกสี่องค์คือพระพุทธเจ้ามังคละสุมาเรวตะ สพิตะเนี่ยนะหลังจากนั้นโลกก็ว่างจากพระพุทธเจ้าอีกหนึ่งอสองไข่จึงมีพระพุทธเจ้าพานามว่าอนโนมทศสีปทุมะและพระพุทธเจ้านารทะแล้วโลกก็ว่างอีกมาจนเดือนเนี่ยประมาณแสนกับจึงมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพานามว่าปทุมุตตะท่า น, นในพุทธวงศ์จึงกล่าวว่ากับทั้งหลายในระหว่างพระพุทธเจ้าเหล่านี้คือพระพุทธเจ้าพานามว่าถีปังกร นนก็คือหมายถึงตอนไหนอสงไขที่หนึ่งครัพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรแล้วก็จากพระทีปังกรมาจนถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนทัญญาเนี่ยท่านบอกว่าคํานวณไม่ได้โดยกับนะมหากับเนี่ยคำนวณไม่ได้ก็แปลว่าหนึ่งอสงไข่ไอ้คำว่านับไม่ได้นี่ยก็คืออสงไข่อสงไข่แปลว่านับไม่ได้นะก็คือเลื่องนับกันเลยนะเลขศูนยร้อี่ตัวก็เลิกคุยกันนะนะ ก็หลังจากที่พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนทัญญาดับขันปรินิพานโลกก็ว่างจากพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งอสงไข่เนี่ยนะจึงมีพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละเกิดขึ้นนะแต่ว่าในกลับนั้นมีสี่องค์คือพระมังคละสุมาณเรวตะและพระพุทธเจ้าโสพิตะหลังจากนั้นอีกพระพุทธศาสนาก็ว่างอีกเป็นหนึ่งอสงไขยจึงมีพระพุทธเจ้าพานามว่าอโนมาทสี ปทุมุตระและพระพุทธเจ้าพระนามว่านารทะเกิดขึ้นก็ ว, ว่างไปอีกนอนจึงมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าอะไรนะปทุมุตระเกิดขึ้นในโลกนะก็สัดแล้วก็ว่างอีกนะคือแสนกลับแล้วก็ผ่านไปถอยหลังอย่างนี้ไปสามหมื่นกลับก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นอีกสององค์พระพุทธเจ้าสุเมทะกับพระพุทธเจ้าสุชาตะแล้วก็ว่างจากพระพุทธศาสนาอีก จนถึงว่าถอยหลังจากทุกขับนี้ไป1800งกับก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสองค์พระพุทธเจ้าปิยทัศีอัฏฐทัศีแล้วก็ธรรมทัศีแล้วก็โลกก็ว่างจากพระพุทธศาสนาไปอีกนานจนถึงถอยหลังจากนี้ไป94กับจึงมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าเศรษฐาเกิดขึ้นแล้วก็พอเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็โลกก็ว่างอีกว่างหนึ่งกับใช่ไหม นั่นก็กับที่เกสบสองจึงมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าติดสะกับพระพุทธเจ้าปุสะหรือพุดสะเนี่ยนะเกิดขึ้นโลกก็ก็ผ่านไปกับนั้นผ่านไปก็91ก้บอดกับก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นหนึ่งองค์คือพระพุทธเจ้าวิปสัสสีหลังจากนั้นก็โลงมาอีกเลยจนถึงพระพเออเหลืออีกสามสบเอดกับจากนี้ถอยหลังไปส1กสเอ็ดกับจึงมีพระพุทธเจ้าสิขีกับเวสภูกเกิดขึ้นนี่นะ หลังจากนั้นก็ว่างมาอีกจนถึงพระพุทธเจ้ า, ากัปนี้พัทธกัปนี้พระพุทธเจ้าองค์แรกก็กกปปุสันทะพระพุทธเจ้ากัปกุสันทะเนี่ยเกิดขึ้นในยุคมนุษย์อายุประมาณหกหมื่นปีนะแล้วก็มีการขึ้นลงเสื่อมตามกฎเกณฑ์ของของของอันนี้นะพอเสื่อมจนถึงอายุสิบปีตายก็อายุขึ้นจนเป็นอสงไขยก็ลดมาเปลือ สี่0 0ื่นปีจึงพระพุทธเจ้าพระนามาโกนาคามณะเกิดขึ้นแล้วก็ลดมาจนเสื่อมแล้วก็ขึ้นไปอีกแล้วก็ลงมาอีกจึงมีพระพุทธเจ้าพานามว่ากัสสปะขึ้นแล้วก็ลดไปจนถึง10ปีแล้วขึ้นไปอีกแล้วก็ลดลงมาอีกลต่ช่วงร้อยปีนี้ก็คือพระพุทธเจ้าของเราเกิดขึ้น น, นะก็รอไปอีกเถอะพระสีอานจึงจะมาตอนอายุ8ปด0 0ื่ปีเพื่อสรุปว่าเนื่นนานมากกว่าจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลก1องค์เนี่ยนะ พันการฟังอริยสัจจะทำเป็นต้นนะคนที่ไม่ชอบฟังอริยสัจจะทำเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติดีแต่ถ้าคนที่เขาฝักไฟที่จะเรียนอริยสัจเป็นต้นเนี่ยเออน้าแปลกใจว่าเขาทําอะไรมาอดีตเขาเคยทําบุญอะไรมาเขาเคยสั่งสมบุญอะไรมาแต่ถ้าเขาไม่สนใจฟังเลยนะผมมาจับค่อนข้างฟังแล้วก็เฉยเฉยคือไม่แปลกใจเลยเขาว่าปกติดีของสัตว์ที่อยู่ในวัตตะก็คิดดูว่าชั่วระยะเวลาสี่อสงไขยแสนกับเนี่ยนะ ถ้ากล่าวตามนี้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นยี่สิบแปดพระองค์ยี่สิบแปดพระองค์เนี่ยนะแล้วก็ไม่ใช่วาระยะเวลาที่เล็กน้อยเลยนานมากกว่าจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกหนึ่งองค์เนี่ยนะพันถือว่าเนิ่นนานมากในหน้าสามสิบเอ็ดกลางหน้าล่างๆว่าในมหากับมหากับคือพระธัคกัปเนี่ยนะ พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยเป็นสุเมธบัณฑิตในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามวถีปังกรอขออภัยคือถอยหลังไปเมื่อเสียอสงไขยแสนกลับที่แล้วเนี่ยนะตอนที่ศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามวัถีปังกรสุเมธบัณฑิตของเราเนี่ยนะท่านได้การทำอภินิหารคือการตั้งความปรารถนาการตั้งความปรารถนาของท่านเนี่ยเป็นการตั้งความปรารถนาที่ประกอบไปด้วยองค์8องแปดคืออะไรท่านเป็นมนุษย์ ก็แรกนะท่านเป็นมนุษย์สองท่านถึงพร้อมด้วยเพศคือท่านเป็นผู้ชายนะสท่านมีเหตุคําว่าเหตุหมายคําว่าชาตินั้นถ้าท่านปรารถนาถือว่าชาติสุดท้ายท่านมีอุปนิสัยแห่งอรหัตผลอยู่ในใจนะมีมีอุปนิสัยแห่งอรหัตผลแล้วก็สี่ท่านเห็นพระพุทธเจ้าพ่อนามว่าทีปังกรห้า ท่านเป็นนักบวชคือเป็นฤาษีหท่านมีคุณสมบัติคืออภิญยาห้าสมาบัติ8ปอธิการท่านสละชีวิตเป็นพุทธบูชาใช่ที่ที่อะไรนะปูแผ่นหนังลงไปที่คโคลนแล้วล้มตัวลงนอนก็ให้พระพุทธเจ้ากับพิสุสงเนี่ยเหยียบเป็นแสนเนี่ยถ้าปกติธรรมดายังไงก็ตายอันนั้นแหละท่เรียกว่าอาธิการก็คือสละชีวิตเป็น พุทธบูชาอธิการเนี่ยอธิไปแล้วว่ายิ่งการไปแล้วว่าทําเป็นการกระทําที่ยิ่งใหญ่มากคิดว่าเอาชีวิตเขาเ้าแลกเลยนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่เหยียบร้อเลยนะให้ข่าวพระพุทธเจ้าเหยียบใครตายท่านไม่เนี่ยแต่ว่าใจของพร ะ, ะใจของพระฤาษีสุเมศบัณฑิตเนี่ยเป็นจิตใจที่ยิ่งใหญ่มากสละชีวิตนั้นเป็นเป็นพุทธบูชา ขณะเดียวกันเนี่ยพอท่านบอกว่าท่านสละชีวิตท่านก็ลืมตาดูพระพุทธเจ้าท่านมีความเต็มใจอยากเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้าจะเอาอะไรมาเนี่ยท่านก็ล้มเลิกไม่ได้ความตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านเต็มที่เลยเรียกว่าฉันทะความพอใจตัวเนี่ยความพอใจของท่านบอกว่าอะไรนะพอใจเนี่ยท่านจะให้ท่านทนอยู่ในรกรกีอสงไขแสงกับเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ยอมเหมือนกนไอความพอใจของท่านมีขนาดนั้น หรือเหมือนกับว่าท่านจะแหวกกรอบก่อชัดที่รกชัดเนี่ยนะจะแหวกอย่างให้เสียสงไขแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็อยอมหรือเหมือนจะว่าจะให้ท่านว่ายน้ําข้ามจักรวาลเนี่ยนะท่านก็อยอมเพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือหมายความว่าไฟนี่มันไหมลุกท่วมจักรวาลเนี่ยให้ท่านเดินข้ามไปท่านก็เอาอันนี้คือฉันทะของท่านยิ่งใหญ่ขนาดนั้นวันท่านประกอบมีคุณธรรมประกอบไปด้วยองค์8ประการ การตั้งความปรารถนาของท่านเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าจึงสาเร็จนะพระพุทธเจ้าทีปังกรก็อะไรพยากรใช่ไหมทีนี้การหลังจากที่พระพุทธเจ้าพนาวัตถีปังกรพระองค์ก็สะสมก็คือสมาทานบารมีสิบ น, นะพอพระพุทธเจ้าเสด็จไปท่านก็ลุกขึ้นนั่งลุกขึ้นนั่งพิจารณาถึงพุทธการกะธรรม ทมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าคือบารมีสิทธิท่านก็พิจารณาบารมีทั้งสิแล้วก็สมาทานบารมีทั้งสิบ น, นะบารมีเหล่านั้นท่านก็ทำมาเรื่อ ย, ยนะตลอดระยะเวลาสี่อสงไข9ก้กัยบกับบารมีเนี่ยมาเต็มเปี่ยมด้วยประการทั้งปวงในพัทธกับนี้จึงเต็มเนี่ยก็คือกับที่ที่เนี่ย รบเสียสงไข่แสนกลับพอดีในพัตกาบนี้พระองค์จึงได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอั้นโครงการที่จะบําเพ็ญบุญเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นโครงการใหญ่มาก น, นะใหญ่จริงๆเลยนะใหญ่ถือว่าเป็นการอะไรนะเป็นโครงการที่ใหญ่มากทํามากนานมากนั้นใครทําอะไรแค่ 10- บยีปีนี่ก็ถือว่ายังเล็กน้อยเนี่ยนะนะนะเป็นโครงการนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะ น้องเราศึกษาธรรมะไม่ไม่เขาบอกว่าเ้ยจะต้องเรียนกี่ปีเนี่ยสักสามปีก็พอจะรู้เรื่องมั้งบอกโอทตั้งสามปีเลยเหรอเป็นต้นเนี่ยยิ่งเล็กน้อยมากเลเนยนะบอกโอยฟังตั้งชั่วโมงฟังได้ยังไงเงยี่สิบนาทีก็พอแล้วอย่า ง, งเง้ยนแต่ว่าบาปเนี่นานขนาดไหนไม่เป็นไรทนได้สรุปว่ากาลวิเศษมีการกาหนดเวลาตามที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะก็ ที่ผ่านมาโน่นอ่ะสี่อสงไขยแล้วก็99999กรับแต่ว่าในจริยาปิดกยกมาเฉพาะเรื่องในกลับนี้เท่านั้นนะยกมาในกลับนี้เท่านั้นหน้าสาสองย่อหน้าจริตตังเนี่ยแปลว่าจริยาเนี่ยนะจริตตังก็คือความประพฤติความประพฤติทั้งหมดตลอดระยะเวลาสี่อสงไขยเส็นกับ น, นะข้อปฏิบัติความประพฤติเหล่านั้นไม่ว่าจะประพฤติด้วยการให้ทานรักษาศีลอบรมเนคธรมมเจริญปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะเป็นต้นบรารมีเหล่านั้นจะเป็นบรารมีสิบอุปปารมีสิบปรมัตุปาลมีสิบรวมเป็นบรารมีสามสิบประพฤติจริยาสามยาตถาจริยาโลกถาจริยาพุทธถาจริยาเหล่านั้นทั้งหมดที่กล่าวก็คือจริยาจริยาเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อประพฤติเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้เป็น พระพุทธเจ้าเป็นการเจริยาแปล ว, ว่าความประพฤติหรือการกระทําเป็นการกระทําเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะนั้นกว่าจะกว่าที่เราจะมาสวดว่าอิตแม่อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นเนี่ยนะคือว่าเบื้องหลังการผลิตเนี่ยนะการผลิตผลงานอันเนี้ยสี่อสงไขยซึ่งเป็นการกระทําที่ยิ่งใหญ่และยาวนาน แต่คำว่าจริยาโดยศัย์เนี่ยนะถ้ากล่าวตามคำพีอื่นๆเช่นคำพีจริยาปิดกเอ อ, อไปคำพีจุลนิเทศจุลนิเทศจริยานี่ยกมาจริยา8ปจริยา8ดมีอะไรบ้างหนึ่งอิริยาบทจริย า, านะก็คือหมายเขาว่าความประพฤติในอิริยาบททั้งสี่ของ ของท่านผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความตั้งใจเนี่ยตั้งใจประพฤติในอิริยาบถสีให้เป็นไปสองอายตนะจริยาก็คือจริยานหมายคาอว่าในอายตนะภายในก็คือคุ้มครองทวารคุ้มครองตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้แปดเปื้อนกับบาสนี้เรียกว่าอายตนะจริยาส่วนสติจริยาก็คือประพฤติในสติปฐานสี่ของผู้ที่ไม่ประมาทในธรรมะเป็นเครื่องอยู่หมายคือว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาทด้วยการเจริญสติปฐานสี่ ส่วนสมาธิจริยาข้อที่4ก็คือจริยาในฌานทั้งหลายก็คือฌาน4ี่นั่นแหละของผู้ขวนขวายในอธิจิตเพราะว่าผู้ที่ขวนขวายในอธิจิตก็สามารถที่จะทําสมาธิระดับปฐมฌานทุทาาตทยาาิยฌานตติยฌานจตุทัฌานให้สําเร็จได้ส่วนญาณจริยาความประพฤติด้วยญาณหมายถึงความประพฤติในอริยสัจ4ี่ของท่านผู้ที่ถึงพร้อมด้วยปัญญาผู้ที่มีปัญญาก็สามารถที่จะ พิจารณาอริยสัจสี่ได้ส่วนมัคคจริยาก็คือประพฤติในอริยมรรคทั้งสี่คือโสดาปติมรรคจนถึงอรหัตมรรคของท่านอยู่ในสัมมาปฏิปทาข้อปฏิบัติชอบที่ประกอบไปด้วยองคแปดส่วนปัตตจริยาก็คือผลของการปฏิบัติมรรคก็คือสามัญญผลสี่นะโสดาปติผลสากาธาคามีผลอานาคามีผลและอรหัตตผลส่วนโลกัตถจริยาก็คือ เป็นการประพฤติเพื่อสงเคราะห์โลกเป็นการสงเคราะห์สรรพสัตว์ท้งหลายของพระพุทธเจ้าสามประเภทพระพุทธเจ้าสามประเภทคือใครคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้แปลว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะหนึง่งสาวกกับพุทธเจ้าสองปเจกับพระพุทธเจ้าสสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าพุทธะเ น, เน้นที่การแทงตลอดอริยสัจผู้ใดแทงตลอดอริยสัจนั่นเรียกว่าพุทธทีนี้พระพุทธเจ้าผู้ที่แทงตลอดอริยสัจก็คือ แทงตลอดอริยศาสตร์แบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อริยศาสตร์แบบเป็นพระประเจกับพุทธเจ้ากับสาวกกับพุทธเจ้าเนี่ยนะของพระประเจกขพุทธเจ้าและของพระสาวกเนี่ยนะการสงเคราะห์โลกอยู่ในขอบเขตที่จํากัดเนี่ยนะเป็นเป็นการกระทําที่จํากัดนะใช่ไหม ى, สาวกทั้งหลายเนี่ยสงเคราะห์โลกได้จํากัดพระปเจกขพุทธเจ้าก็าสงเคราะห์ศัตว์โลกได้ จำกัดแต่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการส่งเคราะห์สัตว์โลกทั้งหลายไม่มีขอบเขตปริมาณที่จำกัดเลยอันนี้ก็ยกตัวอย่างว่าสมจริงสมจริงดังที่กล่าวไว้ในคำพีมหานิเทศว่าจริยาแปดก็คืออิริยาบทจริยาอายตนะจริยาสติจริยาสมาธิจริยาญาณจริยามัคจริยาปฏิจริยาแล้วก็โลกัตจริยา ทวนอีกครั้งหนึ่งนะอิริยาบทจริยาก็คือประพฤติในอิริยาบทสอายตนะจริยาก็คือคุ้มครองอายตนะภายใน6สติจริยาก็คือสติปัญฐาสีสมาธิจริยาก็คือฌานสญาณจริยาประพฤติด้วยญาณก็คือรู้อริยสัจสี่มัคจริยาก็คืออริยมรรสสี่ปตจริยาก็คือสับสามัญญผลสีโลกัตถจริยาก็คือการประพฤตเพื่อสงเคราะห์สัตว์โลกนั่นเอง และอีกในหนึ่งเขาบอกว่าเป็นจริยาที่ประพฤติเขาบอกว่าพโยคาวจรประพฤติน้อมไปด้วยศรัทธานะประพฤติน้อมไปด้วยศรัทธาประคองไว้ด้วยความเพียรนะตรงนี้ตกไปสติแล้วก็สมาธินะจริงหนึ่งประพฤติด้วยศรัทธาสองวิริยะสสติสี่สมาธิหประพฤติรู้ทั่วด้วยปัญญาหประพฤติรู้แจ้งด้วยวิญญาณนะ เมื่อปฏิบัติอยู่อย่างนี้กุศลธรรมทั้งหลายย่อมแผ่ไปด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าประพฤติด้วยอายตนะจริยาแม้ปฏิบัติอย่างนี้ก็ย่อมบรรลุคุณวิเศษด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าประพฤติด้วยวิเศษสจริยานี้เรีจริยา8จริยา8ก็คือ1นศรัทธาสองวิรยิยะสสติสสมาธิหปัญญาหวิญญาณ7อายตนะ8วิเศษสจริยาเนี่ยนะก็มีอยู่8เรียกว่าจริยา8ด นั้นจริยา8ดมีอยู่สองในสองในในัยยะที่หนึ่งคืออะไรหนึ่งนัยยะที่หนึ่งมีแปดนัยยะที่สองก็แปดนัยยะที่หนึ่งก็คืออิริยาบทจริย า, ายตนะจริยาสติจริยาสมาธิจริยาวิญญาณนะจริยามาัคจริยาปฏิจริยาแล้วก็โลกัตจริยาอันนี้ในที่หนึ่งในที่สองนัยยะที่สองก็คื อ, อะนะประพฤติด้วยศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาห้าแล้วนะอินรี่ห้านะ หวิญญาณเจอายตนะ 8. วิเศษจริยาอันนี้หมายคืาว่าในบารมีทั้งหมดก็ประมวลลงแล้วก็อยู่ในจริยาเหล่านี้แหละไม่ได้พ้นไปจากนี้รอกเพราะฉะนั้นจริยาในที่นี้ในคำพีเนี่ยเน้นที่จริยาคือบารมีสามสิบทัศนนะ บารมี10อุปบารมีสิบ ป, ปรมาภิปรมีสิ บ, สบที่สงเคราะห์ข้อปฏิบัติเหล่านั้นก็คืออะไรทานศีเนกคัมมะปัญญาวิรยิยะคันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขานั่นเองก็บอกว่าการกระทำเหล่านั้นทั้งหมดการประพฤติจริยาเหล่านั้นทั้งหมดนะประพฤติบารมีสิบอุ ป, ป, ปบปรปารมีสิบปรมาภบปรมีสิบการกระทำของ พระโพธิสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณสัพพันตังโพธิปาจนันงก็เรียกว่าความประพฤติข้อปฏิบัติเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณมันถ้าไม่มีคุณธรรมเหล่านั้นมาบ่มสัพพัญญุตยานสัพพัญญุตยานจะเกิดได้ไหมเขาบอกว่าอาสาธรรายานหกเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ใช้เวลาบ่มนานมากจริงๆ อสาธารณะยานหกคงเคยได้ยินบ่อยอยู่แล้วนะในอะไรบ้างอาสยานุสญยาณอินทรียะปโปรปริยตายานมหาการุณาสมาบัติยานยมกะปาติหาริยานสัพพัญยุตยานและอนนาวรณายานโดยทั่วไปจะยกมาเฉพาะสัพพัญยุตยานแต่ก็รู้กันว่าอสาธารณะยานหกสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะใช้เวลาเล็กน้อยนะการกระทําเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยเพื่อ โทยานลักษณะการอธิบายพระธรรมในคำพีเนี่ยเขาจะอธิบายสัพท์ ส, ส่วนใหญ่ในในอย่างในหน้า 34-35 เนี่ยเน้นสัพเช่น่การกระทาเหล่านั้นทั้งหมดนะสัพพังตังเนี่ยสัพพะเนี่ยในพระไตรปิฎกมีใช้หลายอย่างด้วยกันเใช้หลายอย่างด้วยกันแต่ในที่นี้หมายคำว่าประเทศสัพพะเพราะประสงค์เอาเฉพาะ การประพฤติสะสมโพธิญาณสัพหามีอยู่สอย่างหนึ่งสัพหะสัพหะเนี่ยนะสัพพังสัพหะสัพพังอายตนาสัพพังสกายะสัพพังกับปเทสะสัพพังสัพหะสัพอันนี้ก็หมายถึงเช่นนะสัพพันญูนี่รู้สัพพสิ่งอายตนาสัพหะก็หมายถึงสักายธรรมอายตนาหมายถึงอายตนาสิสองสกกายะก็หมายถึงอุปาทานขันห้าปเทสะสัพหะก็หมายถึงว่าบางส่วนปเทสะก็คือบางส่วน ทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยนะทั้งหมดหมายถึงาบารมีทั้งหมดนะการประพฤติทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นทานศีลเนคคำมะการประพฤติเหล่านั้นทั้งหมดเป็นการสะสมโพธิญาณแม้แต่คาว่าโพธิในพระไตรปิฎกก็มีหลายความหมายคืออะไรบ้างหนึ่งอริยหน1ต้นไม้สองอริยมรรคสมนิพพานสี่สัพพัญญุตญาณ น, นั้นโพธิเนี่ย โพธิ์นี่แปลวได้สในหนึ่งต้นไม้สองอริยมรรคสนิพพานสสัพพัญญุตยา น, นนะในที่นี้หมายเอาอะไรหน้า35บรรทัดที่สองบอกว่าประสงค์เอาพระสัพพัญญุตยานสรุปทวนอีกครั้งว่าทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยนะบารมีทั้งหมดที่ประพฤติตลอดระยะเวลาสีอส์ขายแสนกับสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเป็นเครื่องบ่มสัพพัญญุตยานเห็นไหนะ ถ้าถ้าพูดถึงว่าสัพพัญยุตยานเนี่ยนะคือพลังงานแสงสว่างเนี่ยนะไอ้พวกนั้ น, นก็คือเครื่องปั่นไฟ่างั้นแต่เครื่องปั่นทั้งหมดเพื่อจะให้แสงสว่างอันนี้เกิดขึ้นมาสัพพัญยุตยานเนี่ยนะประสงค์เอาที่นี้ขณะเดียวกันสัพพัญยุตยามีอะไรเป็นเหตุใกล้อรหัตตมักนะเป็นต้นเหตุให้บรรลุสัพพัญยุตยานท่านบอกว่าอารหัตตมักของพระสาวกเป็นปัจจัยให้บรรลุเป็นสาวก คืออรหัตธรรมของบางคนนะเป็นอุปนิสัยให้ได้สักสุขะพิปัสสกอรหัตธรรมของบางท่านเป็นเหตุให้ได้วิชาสามบางท่านเป็นเหตุให้ได้ปฏิสัมพิธาสีอรหัตธรรมะของบางท่านให้ได้อภิญญาหกอรหัตมรรมของบางท่านทําให้ได้สาวกปกติสาวกอรหัตธรรมของบางท่านเป็นปัจจัยให้ได้มหาสาวกเรียกว่าอัคคระสาวกนี่นะอรหัตธรรมะของบางท่านเป็นเหตุให้ได้ ปเจกับโพธิโพธิเนี่ยนะอรหัตมรรคของบางท่านเป็นเหตุให้ได้สัพพัญยุตยานในที่นี้หมายถึงสัพพัญยุตยานเนี่ยอาศัยมีอาสวัคัยายานเป็นเหตุใกล้อาสวัคคัยยานก็คืออะไรอรหัตมรรคขยานอารหัตผลลยานเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้บรรลุสัพพัญยุตยานขณะเดียวกันอาสวัคัยยานก็มีสัพพัญยุตยานเป็นเหตุใกล้มันเรียกว่ามหาโพธิสรุป ว่าความประพฤติข้อปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลเนะจริญเนกคัมมะอบรมปัญญาภาพเพียรด้วยวิริยมีขันตินะมีสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาการกระทาเหล่านั้นตลอดระยะเวลาสี่อสงไขยแสนกับตามที่กล่าวมาแล้วข้อปฏิบัตินั้นทั้งหมดเป็นเครื่องบ่งเป็นคุณธรรมที่ให้ประสบความสาเร็จเป็นคุณธรรมที่ให้เกิดมหาโพธนะิญาณ ทุกอย่างเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นเป็นส่วนให้ได้สัพพัญยุตยานทั้งหมดถ้าไม่มีคุณธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะมหาโพธิยานคือสัพพัญยุตยานที่เป็นเหตุใกล้ของอาสวัคคายานอาสวัคคายานเป็นเหตุใกล้ของสัพพัญยุตยานเนี่ยมีไม่ได้เพราะพระพุทธไม่ใช่อกิจติดาบทนะตรงนั้นต้องพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงการบําเพ็ญโพธิสมภารเนี่ย ติดต่อกันมาอย่างนี้พ้นคําว่าสับพังก็คือความประพฤติเหล่าใดทั้งหมดในเวลากําหนดการตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดความประพฤติเหล่านั้นเป็นเครื่องบ่มโพธิสมภารไม่มีส่วนเหลือเห็นไหมพระพุทธเจ้านี้แสดงถึงการบําเพ็ญบุญบารมีด้วยบทเหล่านี้มันถ้าหากว่าไม่มีการบําเพ็ญบุญบารมีมาขนาดนี้เนี่ยจะสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้ไหม ที่บอกว่าความประพฤติเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณนะเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณไอ้คำว่าภาวนาเนี่ยนะภาวนารภาวนาก็คือการเจริญใช่ภาวนาก็คือการเจริญหรือการบ่ม ในหน้า35ย้อนหน้าที่บอกว่าภาวนาในโพธิสมภารนี่มีสีอย่างหมายว่าข้อปฏิบัติเป็นเครื่องอบรมบ่มให้เกิดการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีอยู่สประการด้วยกันข้อแรกสัพพสัมภารภาวนาเป็นการเจริญแบบอะไรนะสัมภาระก็คือการเจริญบุญทุกประการข้อหนึ่งนะเป็นการเจริญบุญทุกประการ ข้อที่สองนิรันตระภาวนาเป็นการทําบุญอย่างต่อเนื่องกันสจิระกาลภาวนาเป็นการเจริญแบบใช้เวลาที่เนิ่นนานมากสักกจภาวนาเป็นการทําด้วยความเคารพทําด้วยความตั้งใจอย่างแท้จริงเพราะันจิระกาละภาวนาเนี่ยกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญ น, นานแค่ไหน กับเปจะสตาสหาเซจตุโรจะอสังเคเนเนี่ยนะก็สี่อสงไขยเศษอีกแสนมหากัปนานมากเลยนะนานจนถึงขนาดว่าเนีเขามายังให้ไปหลายคนไปคำนวณมารวบคํานวณมาให้ฟังแล้วยังเลขศูนยรอยสี่สิตัวเนี่ยคูณกันสี่ครั้งเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะได้เท่าไหร่น้องเไปคิดเอากันแล้วกันว่ามันมานานขนาดนั้นแล้วเสะขามาหน่วยของอะไรบอกหน่วยของมหากัป หน่วยของมหากัปแล้วก็เศษของมหากัปอีกเท่าไหร่แสนหนึ่งนี่แสนหนึ่งเลขศูนย์กี่ตัวห้าตัวเองเลขถ้าเลขศูนย์รอยสี่สิบตัวนั่นแหละแต่ว่าเชื่อไหมสายดาราศาสตร์นี่เขาคำนวณ น, นะห้าพันปีแสงอย่างเงี้นยนะโยเ า, า, าสายดาราศาสตร์จริงๆเนี่ยตัวเลขเยอะมากตัวเลขยาวเป็นสอกๆเลยมั้ย แล้วก็ในตลอดระยะเวลาที่เนิ่นนานเนี่ยนะชั่วสี่อสงไขยแสนกับเนี่ยเป็นการเจริญแบบนิรันตะภาวนานิรันตระก็คือนิรันดรนอะนะนิรันดอนแล้วว่ามันต่อเนื่องติดต่อกันจริงๆริเป็นการกระทําที่ไม่ใช่ว่าโอ้ทํายุดหยุดหย่นหย่อนเนี่ยนะไม่ใช่หมายคถึงว่าศึกษาธรร ม, มะมากี่ปีแล้วบอกสปี5ปีแล้วล่ะก็ปีละสามชั่วโมงบ้างสี่ชั่วโมงบ้างเวน้นไปสักสิบสองเดือนแล้วศึกษาอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยนะ แมอนั้นจะเรียกนานได้ไหมอย่างไรไม่หมายาว่าต่อเนื่องกันเนี่ยนะ nee, ไม่เคยขาดเลยอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่านีรันตระหมายาว่าเรียนต่อเนื่องสืบเนื่องถ้าพวกไม่นีรันตระเนี่ยข้อปฏิบัติของกิ้งก่าเลยไงกิ้งก่าเป็นยังไงวิ่งไปได้สักศอกหไไนึ่งมันก็หยุดวิ่งไปได้วานหนึ่งก็หยุดเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ไม่เรียกว่านี่รันตระอะไรนะหมายว่านีรันตระก็คือต่อเนื่องไม่ขาดเลยขณะเดียวกันเนี่ยนะ นานด้วยต่อเนื่องด้วยเลือกทำใช่ไหมเลือกเอาบางอย่างเอาเฉพาะที่ชอบไม่สัพพะสัมภาระภาวนาเป็นการบาเพ็ญบุญกุศลทั้งหมดเนี่ยนทั้งหมดมีอะไรบ้างอะทานศิลเนฆะปัญญาวิรยิยะขันติสัจจะที่ฐานเมตตาอุเบกขาอุปปรฏมิ10ปรมัทธปรมีส0เนี่ยเอาหมดเลยไม่ใช่ว่าเลือกทำนะแค่ว่าประจวบกับอันไหนทามานั้นก่อน อันนะั้ได้เหตุสมควรทําอะไรก็ทําอันนั้นก่อนเพราั้นคำว่าทานศีลเนฆามาอันนี้เรียกว่าลําดับเทศนานะไม่ใช่ลําดับของข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติเนี่ยได้อะไรที่เรียกว่าประสบกับสิ่งใดทําสิ่งนั้นก่อนเนี่ยนะทีนี้ทําแบบว่าทําแบบทิ้งๆิ้ว่างคไม่สนใจใช่ไหมไม่สกัดจะภาวนาเป็นการกระทําการเจริญการบําเพ็ญอย่างเคารพจริงๆงพราะั้น อันเรียกว่าโพธิปาจัหนังไอปาจนะเป็นเครื่องบ่มคําว่าบ่มนี่ก็คืออธิบายเป็นภาวนาภาวนามีสประการใช่ไหมตัวในครั้งหนึ่งสัพหสัมภาระภาวนาสองนิรันตะภาวนาสจิระกาลภาวนาสี่สัจจกะสักกัจจภาวนาภาวนาตัวนั้นแปลว่าภาวนาแปลว่าบ่ม